ท่านพากันตั้งใจให้ดีเวลานี้เรามาประชุมกันเพื่อที่จะอบรมจิตตรงนี้แหละให้สงบร ง, งับไม่ไม่มีได้ไม่ได้มีจิตจุดมุ่งหมายอย่างอื่นเมื่อเรามีจุดประสงค์อย่างนี้ เราก็ต้องตั้งสติสรวมใจลงให้ดีไม่มีใครจะรู้ความนึกความคิดของใครได้นอกจากพระพุทธเจ้าแล้วดะนั้นทุกคนต้องรู้ความคิดตัวเองต้องรู้ว่าราจิตของตน มันเป็นอยู่อย่างไรในปัจจุบันนี้เราต้องเพ่งดูหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นั่นแหละรู้จิตตัวเองตัวเองรู้ตัวเองไม่มีใครรูใ้ให้คิดอย่างนั้นก็แล้วกัน ตัวของเราเนี่ยนะรู้ตัวเราเองรู้ว่าจิตนี้เมื่อยังหลงอยู่ยังไม่รู้แจ้งมันก็ย่อมสำคัญผิดไปเป็นบางครั้งบางคราวสำคัญ่ามีตัวมีตนมีเรามีเขานี่แหละสำคัญมากทีเดียวม อันความสองคัญนี่มันก็เกิดจากความไม่รู้แจ้งนั่นแหละความไม่รู้แจ้งนั้นเป็นเหตุให้เกิดความสองคันผิดไปว่าร่างกายอันนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขา มันสำคัญยังกินเงานข้อนี้นะให้พากันใส่ใจให้มากเพราะว่าจิตใจนี่มันไม่มีรูปร่างอะไรมันยึดถือเราก็มองไม่เห็นไม่รู้ว่ามันยึดถืออย่างไรเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุอะไรกระทบกระทั่งมานั้นแหละมันเกิดความหวั่นไหวไป เสียใจดีใจบ้างเมื่อมันเกิดกิริยาอาการอย่างนั้นขึ้นมาผู้ที่สังเกตตัวเองอยู่เสมอก็รู้ได้ว่านี่ใจมันยังยึดถือขันห้าอันนี้โยมันถึงได้วันไวไปตามเหตุต่างๆที่กระทบกระทั่งมาก็รู้ได้อย่างนี้เลย ผู้ที่ช่างสังเกตตัวเองเรื่อยไปยนี้ถ้าหากว่าจิตมันโปรงมันวางขันห้าได้มากเข้าไปแต่ว่ามันก็ยังโปรงวางได้ให้เด็ดขาดไม่ได้ก่อนความวันไหวไปตามเรื่องดีเรื่องชั่วต่างๆในโลกนี้มันก็น้อยลงมันก็เบาบางลง มันไม่โลดโผนเหมือนอย่างแต่ทีแรกไอ้เมื่อเวลาจิตใจยังเลาะแหละเดืยวไหลอยู่มากนั่นนะความวั่นว้มันก็มากมันก็ทำให้จิตใจนั่นสงบลงไม่ได้ดังนั้นให้พึงเข้าใจว่า จิตรวงนี้นะได้แก่ความรู้สึกนึกคิดดังนั้นถ้าตนมีสติกำกับอยู่มันก็รู้ตนคิดถูกทางหรือคิดผิดทางอย่างไรมันก็รู้ข้อสำคัญยังว่าให้ทำใจให้มันสงบนิ่งเป็นหนึ่งอยู่สะก่อนนะ น, นะ ถ้าเราจะไปตามความคิดเลยทีเดียวเนี่ยมันไม่มีสิ้นสุดถ้าปล่อยจิตนี่ไปตามยถากรรมเรามันก็คิดเลื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นแหละจบเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องใหม่ขึ้นมาจบเรื่องนั้นก็เอาเรื่องโน้นขึ้นมาอย่างนี้นะมันไม่มีที่สินสุดเลยทัศสติ สมาธิไม่เกิดไม่ยับยั้งจิตไว้ด้วยสติด้วยสมาธิเช่นนี้นะมันมันจะไม่เกิดขึ้นเลยความสงบนั้นแหละมีแต่มันเลื่อนลอยไปเรื่อยๆดังนั้นนะ่ะพระศ า, าสดาจึงสอนให้รู้จักยับยั้งจิตใจตัวเองให้มันได้อย่าให้มันคิดเลื่อนลอยไป แม่แม่คิดไปในทางที่ไม่เป็นบาปก็ช่าง น, นะมันก็เป็นเรื่องที่ทำใจไม่ให้สงบนั่นแหละความคิดถึงไม่เป็นบาปก็ช่างก็เรียกว่าความคิดที่เป็นอภยกากตรรมคิดไม่เป็นบุญคิดไม่เป็นบาปมันก็เป็นสังขารเนอนะืมความปรุงแต่ง ก็เรียกว่าสังขารไม่ระ ง, งับมั น, นี่สังขารมันปรุงแต่งขึ้นเลยไปมาเนี่ความที่ปล่อยจิตให้ปรุงแต่งไปอย่างนั้นบางทีมันก็ไปเจอเรื่องไม่ดีเข้าก็เป็นทุกข์นั่นแหละก็เดือดร้อนเสียใจดีใจโกรธอะไรต่ออะไรไปทำนองนั้นแหละเมื่อมันคิดไปพบเรื่องราวแต่หุ่นหลัง แต่เขาหลังนั้นได้กระทบกระทั่งกับคนนั้นมาคนนั้นเบียดเบียนเราหรือว่าแต่คนหลังได้สนุกสนานได้เพลิดเพลินกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัส ต, ต่างๆมาเมื่อนึกขึ้นมาอย่างนี้ก็ดีอกดีใจลืนเนืองบันเทิงถ้านึกไปพบกับศัตรูเข้าไปก็เอ า, เอาแล้วแค้นใจ อยาแกแก้แค้นอะไรต่ออะไรไปทองนี้ในใจนั่นมันเป็นงานการที่ปล่อยจิตในคิดเลื่อนลอยไปทั่วโดยมากมันก็มาเ ก, ก็่คิดไปในเรื่องที่ไม่ดีนั่นแหละส่วนใหญ่น่ะเรื่องที่ทำให้เกิดความโรคความโกรธความหลงนั่นน่ะฉะนั้นจึงว่า เราจึงต้องห้ามจิตไว้ไม่ให้มันคิดไปให้มันยับยั้งอยู่ในปัจจุบันนี้ให้ได้เรื่องดีเรื่องชั่วใดๆก็ช่างที่มันโล่งมาแล้วมันมันก็ดับไปหมดแล้วมันไม่มีเหลือแล้วแต่ว่าจิตใจของไปพื้นมันขึ้นมาเรื่องมันน่ะ ฉะนั้นอย่าไปพื้นมันขึ้นมาเลยมันร่วงมันดับไปแล้วก็มันแล้วไปให้กำหนดเอาปัจจุบันนี่เป็นอารมณ์แม้เรื่องอนาคตก็อย่าไปปรุงแต่งมันไปมันเรื่องอนาคตมันยังไม่ได้ไมยถึงเอาแน่นอนไม่ได้เลยมันเอาแน่นอนไม่ได้เหตุนั้นอย่าไปคิดมันปรุงแต่งมันมา อ้ปัจจุบันนี่นะตัวเองรู้ตัวเองอยู่ว่ามีอยู่แค่ปัจจุบันเท่านี้แหละอดีตมันก็ร่วงมาแล้วมันเป็นมาอย่างไรมันก็เป็นมาแล้วจะเอากลับคืนนี่มันเป็นเหมือนก่อนก่อนมันมันไม่ได้หรอกอนาคตก็ยังไม่ได้ไมถึงเรายังเป็นอะไรก็เป็นไม่ได้อนาคตนะน่ม อย่าปล่อยจิตให้คิดขาดคะเนไปว่าต่อไปเบื้องไหนเราจะเป็นอย่างนั้นเราจะเป็นอย่างนี้อะไรทำนองนี้อย่าปล่อยใจให้คิดไปอย่างนั้นต้องสำรวมใจให้แน่วแน่อยู่ในปัจจุบันทำได้ปรากฏเฉพาะหน้าเอจเจริญธรรมนั้นเนืองเนือง พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้ทำใดปรากฏต่อหน้าหมายความว่าสิ่งที่มันปรากฏในความรู้สึกในปัจจุบันนี่นะมันมีอะไรไม่มีอะไรแนละ้กวก็รูปธรรมนามธรรมเท่านี้แหละดังนั้นให้เพ่งพิจารณารูปธรรมนามธรรมนี่เนือง ประศาทตาทรงสอนนะก็นนะเพราะว่าจิตใจมันหลงมันก็มาหลงอันปัจจุบันเนี่ยก่นอนนะหลงความเป็นอยู่ในปัจจุบันนี่ลมันมันจึงพุ่งไปในอดีตอนาคตมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นเราจึงต้องมอเพ่งดูนามกับนามธรรมกับรูปธรรมเลย อันเป็นปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงเป็นยังไงมันก็ไม่ยากอะไรเนี่ยถ้าเราทวนกระแสจิตเข้ามามันก็เห็นความไม่เที่ยงของร่างกายนี่ปรากฏในความรู้สึกกันนั่นแหละรู้สึกปวดหัวรู้สึกปวดท้องรู้สึกหนาวเป็นไข้รู้สึกปวดตาปวดหูอะไรตัวอะไร นี่นะความรู้สึกอันนี้มันมีอยู่ในใจของคนเราเนี่ยเพราะมันได้สัมผัสกับสิ่งภายนอกกับร่างกาย น, นี่อยู่เสมอเสมอเพราะเหตุนั้นนะท่านจึงสอนให้เพ่งพิจารณารูปธปรรมนามธรรมนี่เมื่อพิจารณาเห็นความจริงของมันแล้วก็สรุปลงได้ว่าไม่ควรยึดไม่ควรถือ ควรปล่อยวางตามสภาพนี่แหละการเจริญวิปัสนาก็ต้องทิ้งอดีตทิ้งอนาคตแล้วมากำหนดเอาปัจจุบันเป็นอารมณ์อย่างนั้นให้พากันเข้าใจเพราะอะไรอะไรก็มีอยู่ในปัจจุบันนี้แหละ อดีตมันก็ล่วงมาแล้วอนาคตก็ยังไม่ได้ไม่ถึงนี่เมือนก็ปรากฏแต่ปัจจุบันเท่านี้แม้ชีวิตก็เหมือนกันนะชีวิตนี่ก็ปรากฏอยู่มีลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านี้แหละเป็นเครื่องหมายว่าชีวิตยังเป็นอยู่ให้พากันเพ่งพิจารณาดูถ้าลมหายใจเข้าออกนี่หยุดลงเมื่อใด ก็หมายถึงต้องตายเมื่อนั้นอยู่ไม่ได้ดังนั้นแหละการเพ่งดูลมหายใจเข้าออกนี่เท่ากับว่าเราเพ่งดูเส้นชีวิตว่ายังเป็นอยู่เหมือนเพ่งดูอยู่อย่างนั้นมันก็มองเห็นแล้วว่าชีวิตนี่มีน้อยนิดเดียวมีอยู่แค่ลมหายใจเข้าออกเท่านี้แหละ ถ้าลมหายใจเข้าออกนี่หยุดลงเมื่อใดก็เป็นอันว่าชีวิตในตั้งอยู่ไม่ได้เราก็สมมติสมมติกันว่าตายนี่กเ็เมื่อมองเห็นอย่างนี้แล้วชีวิตนี่มีน้อยิดเดียวตัญหาความทะยานอยากต่างมันก็น้อยลงผลที่จะได้รับนะปัจจุบันเนี่ย ทำให้ความอยากความปรารถนามันน้อยลงไม่เศราจะปรารถนาไปในะอะไรนั่งหนาในเมื่อรูปกายอิมพัทธิอาศัยนี่มันไม่เที่ยงมายังยืนอย่างนี้นะมันไม่อยู่ในบังคับบัญชาเล ย, ยนี่ไม่เศร้จาจะห่วงมันอะไรนั่งหนาห่วงมันได้มันก็ไม่ยั่งยืนอยู่ได้เพราะธรรมชาติเหล่านี้มันไม่ได้อยู่ใต้บังคับบัญชาของสิ่งใด ของบุคคลผู้ใดมันเป็นไปตามกฎธรรมดาของมันเมื่อมีเกิดขึ้นมาเป็นเบื้องต้นแล้วมันก็แปรปรวนในท่ามกลางนั่นแหละแปรไปลแปรไปในที่สุดถึงปัจฉิ ม, มวัยมันก็แตกดับทำลายลงมันตั้งอยู่ไม่ได้อันนี้ได้ชื่อว่าเป็น สิ่งที่ควรคิดควรวิจารณาให้รู้แจ้งพอมเป็นเครื่องข้องอยู่ในวัตาสงสารก็ให้สังเกตดูปัจจุบันนี่นะเรากเกิดมาอาศัยเป็นรูปเป็นนามขึ้นมางี้นะมันเป็นสุขสบายที่ไหนบ้างนั่นนะก็พิสูจน์ดูให้มันเห็นสิ เมื่อพิสูจน์ดให้ด้วยอำนาจแห่งปัญญาแล้วก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรปกติสุขอยู่ได้เลยร่างกายอันเนี้มีแต่บัติแปลปวนอยู่อย่างนั้นสมควรแล้วหรือที่เราจะมายึดเอาว่าเป็นของเราในเมื่อมันไม่อยู่ในบังคับบัญชาเลยมันจะเป็นอย่างไรมันก็เป็นไปเองของมันออย่างนี้นะ มันเป็นไปเองของมันเองใครจะไปบังคับมันก็ไม่ได้อืมก็ต้องเพ่งพิจารณาดูความจริงของร่างกายอย่างนี้เสมอเสมอไปไม่ใช่ว่าเราเพ่งทีเดียวแล้วมันเล้วไปเลยมันก็ยังยึดยังถืออยู่นั่นแหละแต่ถ้ามันเราเพ่งมันพิจารณา ความจริงของนามของรูปเหล่านี้อยู่เสมออย่างว่านันะมันก็ตัดทอนตันหาความทยานอยากให้น้อยเบาบางลงไปเรื่อยๆมันก็ละความยึดความถือไปเรื่อยๆแต่มันละทีเดียวไม่ขาดอ่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันสันนิษฐานดู ใดีเมื่อเราเพ่งเข้ามาภายในนี่มนกำนรมดรู้อยู่ภายในมันเห็นจริงๆ่ะเห็นความทุกข์ของร่างกายเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายสังขาร น, น, นี้แล้วก็เห็นใจที่มันยึดอารมณ์ต่างๆไว้มันก่อให้เกิด ราคะโทตโมหะขึ้นก็เพราะมันยึดอารมณ์ต่างๆไว้นี่แหละอารมณ์ที่น่ายินดีบ้างน่ายินร้ายบ้างนี่นะถ้าว่าจิตนี้ไม่ยึดถือเอาอารมณ์ใดๆไว้มีแต่จิตว่างๆหรือเฉยมันไม่เกิดกิเลสตัณหาขึ้นได้เพราะมันไม่มีเชื้อเนี่นะ ดังนั้นให้พึ่งทำจิตให้ว่างๆอยู่พร้อมด้วยสติสัมปชัญญะประคับประคองไว้เพ่งเพื่อความอดทนนะเพื่อความปล่อยความวางความตลาดคืนเราเพ่งไปอย่างนั้นเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ย ให้เพ่งดูให้มันเห็นด้วยตนเองไอเรื่องภายในนี่มีแต่ตัวของตัวเองเท่านั้นรู้เองเห็นเองขึ้นส่วนอุบางต่างนั้นได้รับจากผู้อื่นมามาสอนใจตัวเองเข้าไปเมื่อใจมันละอุปทานได้มากน้อยเท่าไรเนี่ยมันก็รู้มันก็รู้ตัวไปอย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้นเนะ่เมื่อจำอุบายต่างๆเหล่านี้ได้แล้วให้พึ่งพากันกระทำอุบายแยบคายในใจให้ได้ในบัดนี้เนะี่ยพึ่งพากันตั้งใจไอเราทุกคนได้ชื่อว่าหมดมาอุทิศ ตนต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พวามมุ่งหมายก็เพื่อที่จะมาชำระกิเลสตัณหาให้น้อยบาวางออกไปจากจิตใจผู้ที่เป็นทา ย, ยกทายิกามาเลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จนถึงก็มีศรัทธาแรงกล้าได้สระซับ ออกมาสร้างวัดป่าอารามให้เป็นหลักเป็นแรงเป็นสถานที่บำเพ็ญบุญกุศลความมุ่งหมายก็เพื่อที่จะให้ได้บุญได้กุศลเพื่อบรรเ ท, า ก, รเทากิเลสบาปรธรรมให้น้อยเบาบางออกไปจา ก, ก จ, จิตใจ ความมุ่งหมายมีอย่างนี้สำหรับชาพุทธทั้งหลายไม่ใช่มุ่งหมายอย่างอื่นฉะนั้นขอให้พากันรู้จักจุดมุ่งหมายของตนซึ่งมีต่อพระพุทธศาสนาการบาเพ็ญบุญกุศลทุกอย่างก็เพื่อกำจัด ก, กิเลสตัณหาบาปประธรรมนี่แหละออกไปจากกิจใจ ไม่ใช่บําเพ็ญบุญกุศลเพื่อให้ไปเกิดสวรรค์ให้เป็นเท ว, เทวดาให้เป็นจักรพรรดิราชฎรให้เป็นพระราชามาหากษัตริย์หอกครองประเทศน้อยประเทศใหญ่อะไรต่อะไรอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นผลรอยได้ต่างหากสําหรับท่านที่เป็นผู้เจริญรุ่งเรืองอย่างนั้น ก็เพราะว่าท่านบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติละความชั่วออกจากกายวาจาใจแล้วทำความดีให้สำเร็จเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นตามความสามารถของตนของตนเมื่อผู้ใดทำความดีในขั้นใดผลแห่งความดีอันนั้นมันก็อำนวยให้มีความสูขความเจริญในขั้นนั้นๆน ถึงไม่ปรารถนามันก็เป็นไปได้ขอแต่ให้ลงมือทำความดีเข้าไปแล้วก็ขีดกันความชั่วไม่ให้เกิดขึ้นในกายวาจาใจเพราะว่าดีกับชั่วเป็นคู่แข่งกันในโลกนี้เราจะทำแต่ความดีไปเรื่อยๆแล้วความชั่วเกิดขึ้นก็ทำชั่วไปไม่สกัดกันความชั่วอย่างนี้ มันก็ได้รับผลทั้งสองอย่างอความทุกข์อันเกิดจากการกระทําคําชั่วมันก็มีความสุขอันเกิดจากการทําความดีก็มีแต่คนส่วนมากเท่าที่สังเกตดูแล้วมักจะเป็นอย่างนี้หลยไอ้ความชั่วก็ทาความดีก็ทําอย่างนี้นะอันนี้มันผิดจาก จุดประสงค์ของพระพุทธศาสนาอันพระพุทธเจ้าทรงแนะนําสั่งสอนพุทธบริษัทนั้นกระทรงสั่งสอนเพื่อให้ลัความชั่วให้ทําความดีและให้ฝึกฝนอารมณ์จิตใจของตนให้สะอาดปราศจากกิเลสบาปธรรมต่างๆนี่เป็นจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่สร้างบา ร, รมีมาในวตาสงสารมากต่อมาก จนได้มาได้ตัดรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกก็บสบทรงรู้แจ้งแล้วว่ามุขค น, นจะพ้นจากทุกข์ภายในสงสารอันนี้ได้ก็พอมามารู้จักกรรมอันชั่วเมื่อรู้แล้วก็เพียรพยายามละกรรมอันชั่วอันจะพึ่งกระทำทางกายทางวาจาและทางใจให้หมดไปสิ้นไป พร้อมกับการกระทำความดีให้เจริญขึ้นแทนความชั่วเหล่านั้นนี่มันมันผู้ที่มีความเคารพนับถือในพระพุทธเจ้าจริงๆนะก็จะต้องพิจารณาให้เห็นความชั่วตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั่นแหละถ้าผู้ใดไม่พิจารณาเห็นโทษแห่งความชั่ว ที่พระ อ, องค์เจ้าทรงห้ามไว้แล้วประพฤติไปตามชอบใจของตัวเองความชั่วอย่างนี้ตนชอบใจแล้วถือว่าไม่เป็นบาปหรือเป็นก็ยอมรับถ้าถ้าสิ่งใดที่ตนไม่ชอบใจนั้นก็พอเว้นได้ความชั่วบางอย่างซึ่งตนไม่ชอบก็เว้นได้แต่ถ้าสิ่งใดตนชอบแล้ว ไม่ยอมงดเป็นทำไปตามที่ต้องการแล้วอย่างนี้นี่มันก็พ้นทุกไปไม่ได้ง่ายๆเลยเพราะว่ากรรมชั่วเหล่านี้มันจะตามสนองให้เป็นทุกอยู่ในโลกสงสารอันนี้ไปเป็นทุกอยู่ในนรกอบายภูมินานแสนนานกลัวจะพ้นจากนรกมาได้ เอคนจากนรกมาแล้วคนตกนรกอยู่นานเนี่ยใจก็เศร้ามองขุนมัวอก็ไม่มีสติปัญญาอะไรเลยนี่พอเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องบาปกรรมที่ทํานั่นน่ะมันค่อยลดลงทีละขั้นละขั้นนะไม่ใช่ว่าพ้นจากนรกแล้วพ้นบาปพ้นกรรมทั้งหมดไม่ใช่นะพ้นจากนรกนั่นมานรกขุมใหญ่มาแล้ว บาปกรรมยังไม่หมดไปตกนรกขุมเล็กอีกนี่ว่าตามตำราเนะี่ยคนจากนรกขุมขุมเล็กอันนั้นมาแล้วบาปกรรมยังไม่หมดอา้าวไปเกิดเป็นเปรตก่อนอเนี่ยเธอเวย้ยมีบาปกรรมความเป็นเปรตอันนั้นอยู่ไปกรรมนะมันบาปกรรมนะมันเบาบางลงคนจากเปรตนั้นแหลวบาปกรรมยังไม่สิ้น เอาพอนำไปให้เกิดเป็นอสุรกายอสุรกายนี่ท่านสมเด็จมหาสมณะเจ้าท่านท่านบอกว่ามันอธิบายยากมูมั ว, มวไม่ทราบว่าจะหมายเอาสัตว์ประเภทใดเราก็ว่าตามหลักฐานว่าอสุรกายแสดงไปแล้วครับแล้ ว, ลวพนจากอสุรกายบาปกรรมยังไม่สิน้นก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดริฉาน สวยทุกอยู่ในสัตว์เดรัจฉานนั้นไม่รู้ว่ากี่ชาติใต้จากสัตว์เดรัจฉานบาปกรรม ม, มันให้เกิดเป็นสัตย์ฉันมันหมดไปแต่ว่าบาปกรรมส่วนเหลือมันยังมีอยูอ่อติดตามให้ไปเกิดเป็นคนเมื่อเกิดเป็นคนบาปกรรมมันนั้นยังไม่หมดก็ไปตกแต่งอวัยวะร่างกายให้วิบัติไม่ครบถ้วนอืมขาด้วนแขนด้วนบ้าง ตาบอดหู ห, หวกมาถึงกำเนิดบ้างอะไรมูลนี้แหละออวัยวะร่างกายวิบัติส่วนใดตัวนหนึ่งไม่ครบถ้วนนั่นแหละเรียว่าเศษของบาปมันยังไม่หมดมันเป็นอย่างนั้นทอนี้สวยวิบากกรรมนั้นไปมาเมื่อวิบากกรรมนั้นมันหมดอายุลงบุญที่ทำมาแต่ก่อนนั่นก็นํามาตกแต่งให้เกิดเป็นคนขึ้นมา มีอวัยวะร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์ดีและจิตใจนั้นยังมืดมนรนทรการอยู่ด้วยกิเลสตัณหาเพราะเหตุว่ามันนิสัยเก่าติดตามมานิสัยแต่ชาติเป็นมนุษย์จะก่อนก่อนโน้นใจบาปไม่กลัวต่อบาปอะไรอย่างนี้มันก็ติดตามมาในเมื่อเกิดเป็นคนอีกในชาตินี่มันก็ เกิดเป็นคนใจดำอมตอะไม่ละอายต่อบาปไม่กลัวบาปอะไรทำนองนั้นแนหะแม้ว่าจะได้คบกับนักปราชญ์บัณฑิตท่านจะแนะ น, นำสง่งสั่งสอนอย่างไรจิตใจมันก็ไม่ลงนะมันก็ยังทำความดีไม่ได้เต็มทีอ่อย่างนี้แต่จังว่าชีวิตความเป็นมาของคนเรานะ่ะ แต่ผู้ใดได้คบถกาดบันดิตก็ยังชั่วหน่อยอยังชั่วพอได้ลดละกิเลสปาประธรรมกรรมมันชั่วนิสัยมันไม่ดีต่างๆให้เบาวางลงไปอย่างนี้มันก็ค่อยเบาไปทีละน้อยๆ น, นี่นะแต่ถ้าหากว่าได้ไปคบกับคนพานเข้าเดี๋ยวคนพานก็ชักชุ่ไปทำความชั่วแล้วก็กลับคืนไปอยู่ที่เก่านะนะั่นอีกนะ่ะไปตกนรกหมกไม่อยู่อีกนี่ ชีวิตของมนุษย์เราเหตุที่มันจะนานพ้นทุกข์เนะี่มันเป็นอย่างนี้ดังนั้นต้องรู้ไว้ผู้ใดได้คบหาสมมคมกับนักปราชญ์พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเป็นมงคลอันอุดมสูงส่งในมงคลสูตรเนะ่ยมันก็เป็นมงคลเละเพราะว่าท่านนักปราชญ์ทั้งหลายท่านชักชวนให้ละกรรมมันชั่วทํากรรมมันดีให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นในตน เช่นนั้นมันถึงเป็นมงคลนั่นแหละส่วนผู้ใดไม่ได้ครบน้าปดบัณฑิตมันก็ไปครบคนพานเป็นธรรมดาเพราะเกิดมาในโลกนี้จะอยู่คนเดียวก็ไม่ได้มันต้องมีหมู่มีพวกต้องมีคณนนะต้องมีบ้านมีเมืองมีประเทศชาติอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนให้พากันเข้าใจวิถีชีวิตอันนี้ตามเหตุผลที่ พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้และนำมาชี้แจงสู่กันฟังนี่ตามเหตุผลที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้และนำมาชี้แจงสู่กันฟังนี่นเมื่อผูใ้ใดเข้าใจอย่างว่านี้แล้วก็จะลงความเห็นเอาว่าอืมคนเรานี่มันตรงละกรบมันชั่วออกจากกายวาจาใจให้หมด พยายามทำกรรมอันดีแล้วพยายามควบคุมรักษาจิตใจอันนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีเมื่อตนได้ทำความดีให้เกิดให้มีขึ้นแล้วก็ต้องตามรักษาอย่าให้ใจมันเหินห่างจากกุศลคุณงามความดีที่ตนทำมานี่สำคัญนะตรงนี้แหละ ส่วนมากคนเราทำบุญก็ทำท ำ, ทำความดีทำมาแล้วเวลามีเหตุร้ายมาถึงเข้าใจบุญหายไปแล้วใจบาปเกิดขึ้นมาแทนเช่นเกิดโมโหโทโซอะไรขึ้นมาหรือว่าเกิดความโลภอยากได้สมบัติผูนเราเป็นของตนขึ้นมาแล้วก็ไปวางแผนหลอกลวงโชว์โกงเอาของ ค, คนอื่นเป็นของตนไป ทำชั่วไปแบบนี้นะในขณะนั้นนะไอความดีที่ทำมาเหล่านะั้นมันไม่เท่าไ ป, ไปตั้งอยู่ที่ไหนมั้ก็ใจรงเดียวนี้จะเป็นผู้รับเอาไว้ซึ่งบุญและบาปเมื่อใจน้อมไปทางบาปแล้วมันก็ทิ้งบุญนะมันก็เป็นอย่างนั้นนะบุญก็ไม่มีที่ตั้งแล้วแบบนี้นะมเมื่อใจน้อมไปทางบุญกุศลมันก็ทิ้งบาปบาปก็ระ ง, งับไป ก็มันเป็นอยู่อย่างนี้ใจของคนเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันรักษาจิตใจอันนี้ด้วยสติสัมปชัญญะคอยระมัดระวังควบคุมอยู่เสมอตั้งคันติความอดทนเป็นฐานที่ตั้งของขิดไว้อืมไอสมาธิมันจะตั้งอยู่ได้ก็อาศัยความอดทนนั่นแหละให้เข้าใจ ถ้าใครขาดความอดทนแล้วสมาธิก็ตั้งไม่ได้เลยอดทนต่อหนาวต่อร้อนอดทนต่อคำด่าว่าเสียสีอดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บ เ, บเปลี่ยนหมู่นี้นะคำว่าอดทนนั่นน่ะมันก็อดทนต่อเรื่องหมู่นี้เลยต่อภัยธรรมชาตินี่แหละ เมื่อผูใ้ใดอดทนต่อภัยธรรมชาติต่างๆเหล่านี้ได้ชิตใจไม่อ่อนแอทอแท้ไม่วอกแวกแล้วมันก็ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณได้อืมนั่นน่ะถ้าใจมันวอกแวกวันไหวไปตามภัยธรรมชาติอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นน่ะมันก็ยึดเอาบุญเอาคุณไว้ไม่ได้เลยฮะมันก็หวันไหวไปตามความชั่วเสีย แล้วก็ทําชั่วเพิ่มเติมขึ้นไว้ไอ้ความดีที่ความดีที่ทํามานั้นไม่มีที่ตั้งอยู่มันก็ดับไปเท่านั้นเองมันก็หายไปอมันเป็นอย่างนั้นให้พากันเข้าใจถ้าไม่เป็นอย่างว่านี่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้พุทธบริษัทละความชั่วทําความดีนะไม่ได้สอนให้ฝึ ก, ก จ, จิตใจอ เราทำความดีให้เกิดขึ้นมาแล้วแต่ไม่ฝึกจิตใจไม่สมรวมใจใจตกไปทางบาป อ, อกุศลบุญกุศลความดีที่ทำมันก็เสื่อมนี่นะพูดกันง่ายๆเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำความดีมีศรัทธาเชื่อมั่นในบุญในกุศลแล้วควรักษาจิตใจของตนน้ไว้ให้มันมัน่นคงให้มันตั้งมั่นอยู่ในเมตตาการุณา ให้มันตั้งมั่นอยู่ในปัญญาวิปัสนาญาณมองเห็นสังขารทั้งหลายที่เป็นกุศลเป็นอกุศลทั้งมวลเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแจกดับไปไม่มีอะไรเป็นของอยั่งยืนอา้าถ้าสังขารที่เป็นบุญกุศลก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างนี้แล้วจะเอาบุญที่ไหนมาเป็นที่พึ่งอยู่ได้บางคนก็อาจจะว่าอย่างนั้นนะ ก็อย่างที่เคยพูดให้ฟังมาแล้วรากเงาของบุญกุศลมันมีอยู่เหมือนอย่างต้นไม้นี่แหละเมื่อรากเงามันมีอยู่เนี้ยแม่ตัดการร้านลานกิ่งมันลงไปมันก็ไม่ตายมันก็แตกแขนงขึ้นมาอีกเพราะว่ารากมันยังดูดอาหารไปเรี่ยงลำต้นได้อยู่นี่เป็นอย่างนั้นที่ว่าสังขารที่เป็นบุญกุศลเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอันนี้หมายถึงความคิด ความคิดที่คิดเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปแต่ความรู้สึกในใจนี่นะความรู้อว่าตนมีกุศลอยู่ในใจมีคุณธรรมอยู่ในใจนี่ยมันมีอยู่มันไม่สูญหายอันนั้นนะขอให้เข้าใจความรู้ที่ว่าไม่โลภไม่อยากได้ของใครความรู้ที่ว่าเรายินดีในการบริจาคอยู่เสมออันนี้มันไม่หายไปไหนอันนี้นะมันฝังอยู่ในจิตใจนั้น แต่เมื่อความโกรธมันดับไปอย่างนี้นะไอความไม่โกรธมันก็มีอยู่ในใจนั้นความมีเมตตาอารีมันก็เกิดขึ้นอยู่ในใจนั้นมเมื่อความหลงมันระ ง, งับไปความรู้มันก็เกิดขึ้นแทนความรู้แจ้งความเห็นจริงในสภาวะทำตามความเป็นจริงก็เกิดขึ้นมาแทนนี่มันเป็นอย่างนี้ เมื่อละบาปอกุศลลงไปแล้วกุศลย่อมเกิดขึ้นอย่างนี้ให้เข้าใจเมื่อกุศลเกิดขึ้นอย่างนี้ก็รักษาในแบบนี้รักษาสมาธินั่นแหละทําใจให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณอนั้นไปแล้วแบบนี้ก็นั่นแหละบุญคุณเหล่านี้ก็จะเจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปเราทําไปเท่าไหรมันก็ยิ่งไม่ศูญไม่หายเมื่อป่อยไม่ปล่อยใจให้ตกไปทางบาปอกุศลดังกล่าวมานั้นน่ะ ทำไปเท่าไรก็มีเฉพาคูณมากขึ้นมากขึ้นไปรเรื่อยลาดับดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้